พระธรรมเทศนาแผ่นที่107ดลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่12กรกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าวิเนัยพระเกี่ยวกับการใช้เงินวันนี้เป็นวันที่วันพุทธที่12 กรกดาคมพุทธศักราช 2,560 พวกเราเข้าพรรษามาได้สองสามวันหลวงพ่อยังได้ถามว่าเป็นไงพวกพระเก่าได้ดูพระใหม่ไหมเรื่องอาหารเพียงพอไม้ลูกหลานถ้าดูแล้วถ้าหารมีอะไรก็บอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้ ดูแลความเป็นไปตามอัตภาพเรารู้อยู่เราเป็นพระพระกรรมฐานแต่ที่ยังไงก็ไม่ให้ขาดเลือกขาดตกจนฝืดเคืองไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ให้ฟุ่มเฟือยหรือเฟือในอาหารที่พวกเราที่จะต้องจัดทา จากอาหารจากครัวแต่ถ้าอาหารทางนอกมาเ็ไม่เป็นไรเพราะอาหารทางนอกเหมือนกับลาบพระอาหารเสือกรรมฐ า, า, านท่านท่านจะไมหลวงพ่อเป็นเด่นน้อยท่านบอกว่าลาบพระลาบพระอาหารเสือหลวงพ่อก็ถามทาไมจึงว่าลาบล า, บลาบพระอาหารเสือ อติเลกลาบของพระเนี่ยถ้าได้มาก็ได้มามากจนฉันไม่หวัดไม่ไหวเหลือเฟือไม่รู้จะทำยังไงมากเกินไปแต่พอมันอดขึ้นมาแล้วมันไม่มี เ, เมือนก็อาหารเสือเสือน้บางทีมันได้เก่งได้กวางมันก็ได้ทั้งตัวได้กระทิงได วัวได้ควายกินไม่หมดแต่บางวันมันไม่มีอาหารกินเลยมันหิวไม่มีอาหารเลยบางทีหลายลหลายวันมันหิวยาวท่านจะเลยเปรียบเทียบว่าอติเลกาลาของพระกับอาหารเสือ เ, เหมือนเหมือนกันท่านว่าเอาเปรียบเทียบอุชายมันก็จริงนะ เวลาบางทีได้ได้มาอาหารพระล้นหลามแต่บางวันก็ร้อยหลอแต่ที่ยังไงเราต้องอดทนเพราะว่าเราเลี้ยงชีวิตเรื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายว่าเราเป็นนักพรตนักบวชลูกเศรษฐีที่จะมาบวช ในพระพุทธศาสนาอายุเจ็ดขวบเข้ามาที่จะมาบวชภาษาเลบบตรต้องซักไซไลเลียงบาว่าจะบวชได้ไหมเมื่อบวชแล้วต้องนอนคนเดียวนะต้องฉันอาหารมื้อเดียวนะอาหารตามมีตามเกิดนะถ้าเขาให้ของดีก็ฉันของดีถ้าอะไรเขาไม่ให้ เขาให้ยังไงเราต้องรับตรงฉันอย่างนั้นเพราะชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราต้องการอาหารเย็นได้ของร้อนต้องการอาหารร้อนได้ของเย็นจะให้ได้อย่างใจรอไม่ได้นะการบวชถ้าหากว่าเธอทํารับสถานะอย่างนี้ได้ก็บวชถ้าหากว่า ไม่สามารถที่จะรับในสถานะนี้ได้บวชไม่ได้นะเป็นนักพจน์นักบวชไม่ได้แต่ท่านผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจยอยู่แล้วท่านบอกได้ครับผมจะบวชตามที่พระอุปชาบอกกล่าวได้ทุกอย่างครับเออเอาบวชนี่แหละก่อนที่จะบวชในครั้งพุทธกาลเพราะเศรษฐีกษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกหลานของเศรษฐี เป็นผู้มั่งมีมีความสุขแต่พอเขามาบวชแล้วจะให้จะให้ได้รับความสุขเหมือนกับตัวเองเป็นฆราวาสเป็นไปไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นพระอุปชาอาการต้องสอนแนวชีวิตสอนอนุาสาตรก่อนกิจที่ควรทำอนุาสาตรแ8ดกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำจากนั้นก็ให้บวช แต่ท่านก็มีอุปนิสัยเก่าแก่ดังเดิมมาแล้วแต่แต่อดีตแต่ชาตินะ่ะผู้ที่จะบวชอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบวชเข้ามาท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล น, นี่แหละการเป็นชีวิตนักบวชไม่ใช่แต่ยุคนี้สมัยนี้เท่านั้นในยุคสมัยก่อนพระพุทธเจ้าพระรหัสสาวกพระสาวกทางหลายท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสําหรับผู้ที่จะเข้ามาบวชการบวชเข้ามาเนี่ย การเลี้ยงชีพต้องเนื่องด้วยผู้อื่นเห็นไหมที่เราไปขอเราก็จะเลือกว่าออัตมาขออาหารอย่างนี้อย่างนั้นนะเหมือนกับเราไปสั่งซื้อในตลาดหรือเซเว่นเอเลเวนเราไปสั่งซื้อนะไม่ได้เราไปวินเทาบะดเขาให้ยังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นเว้นเสียมันให้เขามาแล้วผิดหลักพระธรรมวินยัยออันนั้นเราก็บอกกล่าวเขาเออ น, นี่ไม่ได้นะ มันผิดต่อหลักพระธรรมวินัยต้องบอกเข า, เาให้เขารู้อย่างที่เขาใส่จะใส่จะตุปัจจัยแต่บางทีบางครั้งเนี่ยหลวงพ่อก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะพอก็ใส่พูกมาเราก็จะทำยังไงคนไม่เคยเห็นหน้ากันถ้าคนเคยเห็นหน้ากันเราต้องบอกโอจะไปใส่ปัจจัยนะเพราะพระรับเงินและทองไม่ไดอ้อันนี้เราก็ต้องได้บอก แต่ว่าคนต่างทีนต่างแดนมามาใส่เข้าไปบางทีโอ้แต่ก็เราอย่าปีเย็นดีในการรับเงินและทองในเรื่องนี้หลวงพ่อก็อยากจะบอกให้พระลูกพระหลานเป็นแนวทางเหมือนกันหลวงพ่อไปบินธบาต ท, ที่กรุงเทพนะพอไปบินธบาต ท, ที่กรุงเทพไปด้วยกันสององค์ ไปอยู่ที่แถวเมืองนนท์จากนั้นเขาก็ใส่ซองปัจจัยใส่บาทเพราะใส่บาทลงพ่อก็ไม่เป็นไรใส่บาทก็ทิ้งไว้แต่เราไม่ถือว่าเป็นของเราก็าใส่ให้แล้วก็เอาแต่จะทำให้เกิดประโยชน์แต่องค์ที่หลังตามหลังไปพอเขาใส่ให้บาทรจงออกจากบาทรแล้วโยนทิ้งพอเดินมาหน่อยหนึ่ง ก็ไปโยนทิ้งต่อหน้าเขาหรอกโยนทิ้งแต่หลวงพ่อก็เห็นอยู่โยนทิ้งตอนนี้พอกลับมามาถึงที่ท่เนหลวงพ่อก็บอกว่าปัจจัยที่ได้มาที่ใส่บาตรของหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เอาไม่รับปัจจัยแต่ให้สำหรับโยมโยม ที่คนป่วยคนไข้เนี่ยที่เป็นคนโรงพยาบาลที่มารับใช้ยอยู่นี่นมาทําความสะอาดปัดกวาดจะเป็นคนของโรงพยาบาลคนรับใช้เหมาะไนะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าไปซื้ออาหารอย่ไปซื้ออะไรมาถวายพระนะถวายหลวงพ่อนะหลวงพ่อมอกให้เป็นของเจ้าเราไปรับปัจจัยแต่เราให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น อันนี้ก็คือพ่อพินัยหลวงพ่อก็เลยบอกอืมถ้าได้ปัจจัยใส่บาทมาเราก็ไปโยนทิ้งต่อหน้าเขาก็เหมือนกับเราดูถูกเขาไกลๆแต่ตามไม่จริงถ้าเราเอาจิตจะอธิบายยืนอธิบายให้เขาฟังในขณะที่เขาใส่บาทมันก็ต้องใช้เวลานานอีกเพ้อเพอไม่เข้าใจอีกต่างหากอืม <Okay. S 1> จะอ้างอิงมาจากพุทธประวัติะ อ้างมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติพิันอย่างไรกว่าจะยืนใส่บาตรวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวพอดีถ้าวรโยนทิ้งก็เป็นปัจจัยของเขาเขาผู้เขาใส่บาตร็สุดอกสุดใจเขาหว่างเงินดีที่สุดในความรู้สึกของเขาเขาก็เอาของดีที่สุดคิดว่ามันจะไม่ผิดก็มาใส่บาตรพระแต่ตามไม่จริงถาวาพระเนี่ย ถือว่าเขาใส่บาทแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าเอามาใช้มาจ่ายเองอันนั้นไม่ถูกภิกษุรับเงินและทองหรือจินดีทองและเงินที่เขาใส่บาทให้กับเราแต่ถ้าเรารับมาแล้วหลงพ่อเลยเราจะไปใส่ใจอันนั้นเหมือนกระเสกระดาษในใจของเราถือว่าเป็นเศษกระดาษหนึ่งแต่มันเป็นประโยชน์สาหรับคนอื่นเอาให้มันเป็นประโยชน์สาหรับคนอื่นซะ หลวงพ่อถือถือลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อจะไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยินดีถ้าเขาใสใส่ใส่บาทแต่จะอธิบายให้เขาฟังไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้ฟังเขาฟังอย่างที่หลวงพ่อไปบิณฑบาตอินโดนหลวงพ่ อ, อยังเล่าเล่ายังให้พระฟังนึกขำขแต่เขาก็มีศรัทธาเขามีัทธาใส่บาท เขียนว่าพระฉันยังไงพระใช้ยังไงเขาก็ใส่บาตใส่บาทพระบางีวันนั้นไปวิทยบาบ ท, ที่อินโดจากร์ตาเขาเอารองเท้าใส่บาตรพอเราได้ยินพระเขาพูดให้ใครฟังใครหัวเราะแต่ตามไม่จริงเขาก็เจตนาดีเขาก็กิีนว่าพระใช้อะไรเขาก็ต้องใส่อย่างนั้น เขาใช้รองเท้าเขาก็ใส่รองเท้าแต่ไม่ใช่รองเท้าเก่านะรองเท้าใหม่ๆนะใส่ถุงมาแล้วก็กใส่บาทแต่เมืองไทยไม่เคยเห็นอดรองเท้าใส่บาทไปต่างถิ่นต่างแดนเห็นเราจะปฏิเสธอย่างนัไม่ได้การรองเท้าใส่บาทต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นเราจะอธิบายได้ยังไงใช่ไหมมันค น, นเป็นพันพันคนใส่บาทจะไปยือนอธิบายได้ยังไงเอารับไปอแต่มีอะไรจะค่อยว่ากันทีหลัง เอไปปีนี้กับท่านอาจารย์องค์หนึ่งที่ไปตามหลังหลวงพ่อแต่หลวงพ่ออาจจะได้อย่างเก่านะแต่หลวงพ่อไม่ได้มองว่ามันเยอะเหลือเกินพระองค์นั้นผมก็ได้เหมือนกันปีนี้ผมได้รองเท้าเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่หลวงพ่อผมได้ยินแต่หลวงพ่อเขาปีที่ปีที่แล้วหลวงพ่อเขาใส่บาตรหลวงพ่อได้รองเท้าปีนี้ผมก็ได้รองเท้าเหมือนกันนะหลวงพ่อเราก็นึกขำเลยแต่ปีนี้หลวงพ่อได้ไข่นีไข่เป็นแพกเนี่ยนะ ไข่ดิบเลยนะเป็นแผลเขาซ้อนกันทันนะ้งสี่ห้าแผลเยไม่ใช่ธรรมดานะเากินเป็นวัน2องวันก็ไม่หมดนะเลขาใส่ไข่ดิบนะใส่แผลจะใส่ใบใส่ได้อย่างไงใส่บาตใช่ไหมมันก็ไม่หลวมเลยไก่ไข่เป็นแผล ท, ที่เป็นแผลไปเก็ใส่เป็นนั่นนะอ่ะอขาซ้อนๆใส่ถุงกับแก็บมาใส่บาตเออขมานลอโก้พี่น้องอินโดนีเซียเอาไข่ดิบมาใส่บาด แต่เราจะทำยังไงจะอธิยนะืนอธิบายให้เขาของเดบต้องใส่แมทไม่ได้ตรงผิดพี่ไหนของผ้าเราจะพูดอย่างงั้นได้ยังไงไม่เสียเวลาใช่ไ้ยใส่แล้วก็แล้วไปหลับเุาตาใส่แล้วก็กออกไปเออให้เกิดประโยชน์สำหรับคนอื่นนี่แหละคือบางเสียงบางอย่างถ้าว่ามีเวลาเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังพอเสร็จแล้วกเออเป็นศรัทธา ญ, ญาติโยมของเราเ่ย เราก็ที่บายให้เขาฟังเออเนี่มันผิดวินัยนะควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ถ้าเขามาแต่ถ้าเขาฉาบฉวยอย่างนั้นเราจะทำยังไงมันก็เรื่องก็ผ่านผ่านไปให้ก็จกจกไปถ า, ามวา่าพวกเราอย่างพวกเราทั้งทั้งหลายเยายานี่ยมา่างเนี้ยหลวงพ่อก็เล่าเล่าอะไรให้ฟังเอ อ, เ อ, อก็ได้เรียนรู้ว่าการที่ใส่บาตรนี่เป็นยังไง เขาจะตังใสป่าท่านเป็นยังไงท่านมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรในการที่รับแต่ตามไม่จริงในครั้งพุทธการพระพุทธงค์ไม่ให้ภิกษุรับเงินและทองจริงนะไม่ให้รับเงินและทองจริงนะเพราะว่าเงินและทองเป็นอันต ร, รายกับพระมันก็จริงอีกถ้าว่าพระมีเงินในวัดไปอยู่ในปงง่ารงผงไผ่ไปเที่ยวทุง่งขโมยโพยโจร นักเลงเขาเห็นว่าพระพระมีเงินมีทอง เ, อเขาก็ไปฆ่าไปป้นไปทำร้ายทำลายพระได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงไ ม, ม่ให้มีขนาดผ้าจีวรเนี่ยผ้าจีวรทำไมตัดเป็นขันขันทำไมทาให้ยุ่งยากอันนี้ก็คือผ้าจีวร น, น่ก่อนในครั้งพุทธกาลพระตะกนมีผ้ามากเกยบมาผืนใหญ่ๆมาก็ พื้นใหญ่จะเย็บให้ได้ขนาดกระดับธรรมเป็นผ้าจีวอลเลยพระก็ได้ใช้พอต่อมาโจนผู้ร้ายเห็นเถอะพวกขโมยเห็นโอ้ผ้าของพระเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์ใช้ได้ดีเองขโมยไปขโมยผ้าพร ะ, พระโจนขโมยผ้าจีวอลหายเอาหายเอาจถอะนี่ก็มาสืบสอบได้ว่าทําไมขโมยถึงขโมยผ้าของพระเพราะว่าผ้าของพระเนี่ยเป็น เป็นปักใหญ่ใช่ไหมเออไม่ได้ตัดเป็นผ้าผืนใหญ่มาก็เย็บพอได้ขนาดเอามาใช้เลยโจรผู้ร้ายเขาว่าเป็นของมีราคาเนาเอาไปใช้ได้ไปขายได้เข้าก็เลยครมยผ้าพระจะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้พระอาอ น, นุนเป็นเป็นผู้ออกแบบในการตัดผ้าจีวรคือพระอานุนพระ อ, อ น, นุออนน์ออกแบบ ตัดผ้าจีวรให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อให้ลดคุณค่ามันลงถ้าเป็นชิ้นใหญ่มันมีคุณค่าจําให้โจรขโมยมาขาโมยภาพของพระไปพระนอนุนก็คงจะเอามือไก่หน้าผากอยู่หลายวันนะดูๆแลอวคิดจะออกแบบตัดตัดผ้าจีวรใช่ไหมวันหนึ่งท่านก็เลยขึ้นไปบนหลังเขา พอขึ้นไปบนหลังเขาเขาคิดจะกูดแถวแถวเนี่ยกุงกุงเอ่อกุงรัดจะคืดแถวมึงแถวกุงราชจะคืดท่านมีภูเขาเยอะอยู่นะท่านก็ขึ้นไปบนหลังเขาท่านก็มองดูท้องนาน่ยท่านมองดูท้องนาเทานท้องนาอันหนึ่งเป็นผืนนาอันหนึ่งเป็นคันนาอันหนึ่งเป็นคคลองส่งน้ํามีคลองส่งน้ําเป็นคันนาสอง สองคันนาเรียงกันแล้วก็มีคองส่งน้าตรงกลางแล้วก็ปล่อยน้ำคอนา เ, อเป็นช่องช่องท่านขึ้นไปมองถูผ้าจีวรของพระนี่น่าจะตัดอย่างนี้ถาวรนะจากนั้นท่านท่านก็ลงมาก็เลยออกแบบผ้าจีวรแล้วก็มีถนนมีถนนล้อมรอบนาของแต่ละคนอีก เพื่อให้เดินเข้านาตัวเองได้ท่านจึงตัดเป็นผ้าจีวรเดี๋ยนี้ท่านดูดูนะนะผ้าจีวรของพระเนี่ยแปลว่าลรอบๆเนี่เป็นถนน เ, นเป็นอนุวาตก็เรียกว่าตั้งชื่อว่าอนุวาดนะเนี่ยท่าเป็นช่องๆเหมือนคันน า, นานะเลยว่ากุฏสิกุดสิ น, น, นะว่ากุดสิแต่ผืนนานี่ยนะว่าขันผ้าขัน เป็นขันผ้าห้าขันบางผ้าเจ็ดขันบางผ้าเก้าขันบางผ้าสิบเอ็ดขันบางฮอสุดแท้แต่ผู้ที่จะตัดแต่ก็ต้องมีกุศิอย่างที่ว่านะต้องมีคลองส่งน้ำถ่าเราดูผ้าจีวรของพระนะนี่แหละอันนี้ก็คือการหนีขโมยเหมือนกันไม่ให้มีขโมยโผล่จรมาขโมยผ้าของพระนะ พระอานนุ์เป็นผู้ออกแบบในผ้าพระสงฆ์ให้พวกเราดูใช่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละความเป็นมาของผ้าจีวรนะคือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าให้พระอานุ์เป็นผู้ออกแบบออกแบบผ้าจีวรของพระจากนั้นท่านก็ผ้าจีวรของพระให้ได้ขนาดอย่าให้ใหญ่เกินไปอย่าให้เล็กเกินไปความใหญ่นั้นแต่ผ้าของพระหนึ่งใหญ่ใหญ่ที่ประมาณ หกศอกคืบนะวา้ว า, วางกว้างกนะหกศอกคืบก็ประมาณสักสาเมตรนะประมาณ3เมตรกว้างประมาณ3เมตรลึกประมาณ2เมตรแต่เกินก็ไม่เกินมากขนาดนี้แหละลึก2เมตรกว้าง3เมตรผ้าจีวรของพระนะอันนี้ก็คือความเป็นมาของผ้าจีวรแต่ที่มาพูดถึงเรื่องจิตตุปจัจเงินเนี้ สมัยก่อนพระการเดินทางบางทีก็เดินทางในที่กันดานพอพระสงฆ์จะออกไปเที่ยวไปเดินทางอนานาถวิธีกาศเศรษฐีเขาโอ้พระสงฆ์จะเดินทางควรจะให้มีกัปยะถารกคือโยมควรจะมีจตุปัจจัยไปด้วยเพื่อเป็นข่าเดินทางแล้วก็ เวลาไปถึงกลางทางพระสงฆ์ไม่มีอาหารจะฉันก่อจะได้ซื้ออาหารกับพิยะถวายพระสงฆ์ที่เดินทางเพื่อความสะดวกแต่สมัยนั้นคงจะไม่ได้ใช้ปัจจัยเท่าไหร่จากนั้นก็เลยถวายพระพระุทธเจ้าขออนุญาตนะอนุญาตถวายแต่ไม่ให้พระถือเองนะพระถือปัจจัยไม่ได้ผิดวินัย พิกโุรับเองก็ดีให้ปูนรับก็ดีซึ่งทองและเงินยินดีทองและเงินโอ้เป็นวินัยที่เข้มงวดมากนะเรื่องการเงินเรื่องการเงินอ่ะแต่ทีนี้แต่ท่านก็ยืดหยุ่นหลวงพ่อว่าท่านยืดหยุ่นตุดจุดหนึ่งพันใชัว่าไม่ใช่ว่าห้ามเลยจนไม่ให้เหลี้ยวแหล่เลยก็ไม่ไหนไม่ใช่เอ ในสิกขาบทที่สนะิบพวกเราไปอ่านนะในนิจิคียปจิตตีสิกขาบทที่สนะิบพระองค์บัญญัติว่าถ้าใครใครใครใครก็คือคนนะนะั่นแหะอยากโยมผู้ใดก็ได้นะครัใครใครถ้าใครใครนาทรัพย์มาเพื่อเพื่อเป็นค่าจีวอค่าจีวอก็คือเป็นคุณค่าราคาของจีวอนนะถ้าใครใครนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวอถามภิกษุว่านะถามภิกษุที่เราจะถวายนะ่ะ จังหวะตรงเขาจะถวายหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินก็บอกเออเอาอถ้าใครใครนำทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวรอถามหลวงพ่ออินว่าใครเป็นวิยาวัจกรของท่านหลวงพ่อก็บอกเออเอาให้เท่าแก่นั่นแหละเป็นผู้เป็นวิยาวัจกรของอาตมานะเออถ้าอย่างงั้นเขาผมผมจะมอบปัจจัยไว้กับวิยาวัจกรของท่านนะเออ จากนั้นเขาเอามอบปัจจัยให้เป็นค่าจีวรได้มอบเสร็จแล้วเขากลุ่มมาบอกว่าท่านท่านท่านเจ้าค้าอผมกับพัญญาได้มอบปัจจัยไว้กับวิยาวัจกรของท่านแล้วนะถ้าเผื่อว่าท่านต้องการจีวรก็ให้ไปบอกเขาอตามที่มูงค่าที่ถวายไว้นะั้น ห้าร้อยบาทพันบาทกว่ากันไปตามมูลค่าของไพจีบอลนีในยุคสมัยนั้นแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันเสร็จแล้วก็พระเสร็จแล้วก็ก็ไปแล้วท่านพอไปต่อมาหลวงพ่ อ, อพระจีวรคาร์ดเนี่ยเขาเห็นผ้าจีวรมันชำรุดอยู่แล้วเขาก็เลยคง เ, เลยถวายหลวงพ่อก็ไปถามว่าเอ้ยโยมเฒ่าแก่อาตมาต้อตงการผ้าจีวร น, นะ แต่โยมเท่าแก่พอเขาเอาเงินเขามาล้อนเงินที่ว่าเอาเงินไปใช้ก่อนเห็นี่มต่าเงินไม่ใช้ก่อนไม่เป็นไรเท่าแก่ก็ไปซื้อเงินไปซื้อผ้ามาให้มันก็ไม่มีปัญหาแบบว่าทันวันเรื่องที่มันมีปัญหานะถ้าหาว่าไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรพอไปซื้อได้อาตมาต้องการจีวอร์เนอเขาเก็บเงินอะไรเขาก็ไปซื้อมาให้ตามที่เราต้องการ จากนั้นก็ลงามาตัดผ้าจีวอลใช้แต่จะมุติว่าถ้าว่าเขาเท่าแกนะเอาเงินไปใช้เ่ราะเก็บไว้นานเอาเงินไปใช้พระนก็ไปถามอาตามโยมอาตามาต้องการผ้าจีวร น, นะแต่โยมก็นเน่งเพราะเขาเงินไปใช้แล้วแล้วก็ไปทวงอีกครั้งที่สองอีกโยมอาตามาต้องการเงินนะต้องการผ้าจีวอล เอาไปต้องการจีวรไหม้ามาให้อัตมาหน่อยโยมก็โกชอ้อยพ่อไปโทนอีกไปบอกอีกครั้งที่สามเวอัตมาต้องการ้าพจีวรโยมเขาไม่พูดเขาไม่ให้เพราะเขาเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วถ้าหากว่าไปทวงเป็นครั้งที่สี่เขาไปซื้อมาให้ ได้มาได้ผ้าจีวรมาต้องนิจจะขี่ยปาจิตตีเพราะมันไปถ่วงจนเขาลำคาญจนเสียมรยาีดพระพุทธเจ้าให้มีมารยาดเหมือนกันในในการทวงนี้นะตอนนี้ก็เมื่อเขาทวงนี่เมื่อทวงนี่ไม่ได้นะเอพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้นิ่งดูไดเพียงแค่นั้นนะให้ไปยืนต่อหน้าเขาเองแต่ เ, เออพอพอไม่ได้ไปทวงไม่ให้พูดะไป ให้ไปยืนต่อหน้าเขาอีกครั้งที่หนึ่งให้เขารู้ว่าหลวงพ่อเนต้องการผ้าจีวรนะไปยืนต่อหน้าเขาครั้งที่หนึ่งเขาก็ยังไม่ให้พ่อไปยืนอีกครั้งที่สองที่สามไปยืนต่อหน้าเขาได้เพียงสี่ครั้งถ้าไปยืนให้เกิดหกเป็นครั้งที่ห้นีเ่เป็นปรับอบตออิถ้าได้มาของได้มากนี่เป็นนิจคียปาจิตติ เป็นโทษเพราะพระเจ้าไม่ไปยืนต่อหน้าเขาเป็นครั้งที่หา้ายืนได้เพียงสี่ครั้งนี่แหละแต่เนี่พอได้ทาไม่ได้จีวรไม่เห็นเน่งดูได้อีกได้ไหอพอไม่ได้จีวรไปยืนต่อหน้าเขาไปทวงสามครั้งไปยืนให้ต่อหน้าเขาสี่ครั้งถ้าไม่ได้จีวรมาไปบอกเจ้าของเดิม่อไปบอกเจ้าของเงินของเขานะ่ะ ที่เขาถวายวที่ขอมอบหมายไหมนะไปบอกเขานะเออปัจจัยของโยมนะที่ไปถวายสำหรับเป็นค่าจีวรให้อัตมาในวันนั้นอนะ่ะให้ไปทวงคืนมาเสียละเพราะอัตมาไปทวงแล้วเขาไม่ให้เป็นปัจจัยของโยมให้โยมไปทวงคืนมาซะถ้าไม่บอกเขาถ้าไม่บอกเจ้าของเงินเขาปรับอวบทุกกฎเพราะปล่อยปะ่าละเลย ทำให้สมบัติเขาเสียหายนี่แหละพระปีในของพระพุทธเจ้านั้นละเอียดนะพวกเราฟังๆดูสินี่แหละถ้าจะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเงินเฉลยก็ไม่ใช่เอแต่จะให้ติดพันเป็นเรื่องใหญ่โตระหโหฐานจริงๆกับทรัพย์สมบัติพราะพระองค์ก็ไม่ไม่ใช่อีกอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้น พระก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เหมือนกัน อ, อาหารยาแก้โรคภัยไขเจ็บผ้านุ่งห่มที่อยู่อาศัยอันนี้ก็คือปัจจัยสี่ของพระสงฆ์วันนั้นขอให้พวกพระลูกหลานทั้งหลายได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวินัยของพระนะท้าว่าอยู่ในกบในกฎในกติกาในหลักพระธรรมวินัยแล้วอยู่นักสถานที่ใดสวยงามนะ เพราะเราไม่ออกนอกลูก่นอกทางพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วพระวินัยศินสองรี่สิบข้อนะแล้วก็สินอภิสมาจาร์อีกมีหลายหลายร้อยหลา ย, ลา ย, ลา ย, ลายพันซิกขาบทนะอันนี้คือกฎระเบียบของพระสงฆ์คือศินและวิ น, นัยถ้าว่าพวกเรามีศินและวิ น, นัยอยู่ในตัวของพวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ไม่มีพิษมีภยัยอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นผาสุก เพราะอะไรเพราะอยู่ในกฎกติกากฎธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้าหาว่าเป็นศีลของฆราวาสก็เหมือนกันศีลของฆราวาสพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลห้านะแต่ศีลห้าของพระภิกษุมีไหมถ้าหาว่าไม่นับหนึ่งถึงห้าถึงหถึงเจ็ดถึง2องร้อยี่สิบเจ็ดนั่นจะนับไปยังไงใช่ไหมมันก็ต้องนับไปจากหนึ่งเหมือนกันนะ สินข้อที่หนึ่งที่สองที่สมที่สที่ห้ามันก็ผ่านไปเรีว่าสินของพระเนี่ยต้องมากกว่าสินของโยมสินของโยมท่านให้รักษาเพียงห้าหรือ8ปดข้อก็น่าจะเพียงพ อ, อสำหรับพระเนี่ยต้องมากกว่านั้นนับแต่หนึ่งถึง227ย่สิเนห้าของโยมคืออะไรหนึ่งไม่ให้่าไม่ให้คิดค่ากันการที่คิดค่ากันเป็นยังไง การคิดขโมยกันเป็นยังไงการละลาประลวงในสามีภรรยาของซึ่งกันละกันเป็นยังไงโกหกต้มตุนหลอกลวงกันเป็นยังไงท่านดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติจะทำความชั่วย ท, ทุกอย่างเพราะคนขาดสติเนี่ยแหละสินห้าสหรับฆรวัติสรุปแล้วก็คือสินข้อที่สมาถึงข้อที่หนึ่งเท่าเร า, เราจะมา วิเคราะห์ดูแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปคิดฆ่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาฆานายาตฆ่าใครก็ตามเขาผู้ถูกฆ่าน่ะเป็นยังไงดีใจหรือเสียใจเขามีความรู้สึกยังไงในเมื่อเขาถูกฆ่าเขาก็เสียใจอย่างมากในเมื่อเขามาฆ่าเรา ฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเรานะ่ะวงศาคณะญาติของเราเราดีใจไหมในเมื่อเขามาฆ่าเราเราก็เสียใจอย่างมากอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสินของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอาใจเขามาใสา่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขานะแล้วก็ข้อที่หอย่าดื่มโซราให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทาความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างพราะคนขาดสติเพราะคนเป็นบ้านะนี่แหละสินห้าศีลธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าพวกเรามาพิจารณาดูแล้วนะอพระพุทธเจ้าบัญญัติตามเหตุการณ์ตามกฎในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นๆ อ, อย่างภิกษุเอาก้อนกวดดีดใส่หัวหงนโะก็ตกมาทางอากาศพระสงฆ์ทั้งหลายโอ้ทำไมจึงอขนมันก็บินตามปกติของมันแต่พระทำไมไปหาทารุน ทำไมไม่มีเมตตาถึงขนาดนั้นไปดีดก้อนกวดเหมือนกระยางจะติ๊กนลยยิงขึ้นไปถูกหัวหงส์ตกลงมาพระสงฆ์ไปกราบทูาพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกเรียกภิกษุองค์นั้นมาพอมาแล้วเธอทําอย่างนั้นจริงไหมจริงพระเจ้าคะ่ะทําไมเธอจึงไม่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์เลยทําไมจะไปฆ่าเขาเขาได้ทําอะไรกับท่าน มันไปฆ่าเขาได้ยังไงชีวิตพอตายแล้วไม่ใช่ว่าจะคืนได้อีกมันตายมันก็ตายไปเลยท่านนั้พรมที่ทึ่งทำขาดจิท่านถึงทําให้ฆ่าเขาถึงขนาดนั้นแอา้อาวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามแกล้งฆ่าสัตว์ที่ไรฉันตัวเล็กตัวน้อยก็ตามแกล้งฆ่าสัตว์ที่ไรฉันต้องปาจิตติเนละ แต่ถาฆ่าตั้งแกล้งฆ่าสัตว์มนุษย์นะต้องฆ่ามานั่นะเป็นปาราชิกนะขาดจากการเป็นพระนะถ้าฆ่าสัตว์ทีาานะ่ฉันเป็นปาจิตตีอาบาัตเป็นอาบัตลดลงมาเนี่แหละพระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยกับบัญญัติตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้ น, นบางทีบางเสียงบัญญัติตามคุณธรรมคือให้มีเมตตาต่อเพื่อนสัพสัตทั้งหลายในโลกบางทีเขเนะี่ยไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน บางทีงก็กิริยามารยาทที่สวยงามที่เหมาะสมนะเพิกสูยาไว้ผมยาวนะยาวไว้หนวดยาวเออยาวไว้เล็บยาวน่แหละให้อาบน้ำชำระกายนี่แหละอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าแต่ศีลเหานี้เป็นศีลอนพิธมาจารย์และการฉันก็เหมือนกันการฉันเราจะ มีตาทอดลงมองดูในบาทเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ให้เสียงเสียงดังสูดดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉั น, ฉนเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันแลบลิ้นเราจะไม่ฉันทากับผุงแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางจับบัดมือพลางเราจะไม่ฉันกัดคำข้าวเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พด อันนี้คือพระพุทธเจ้ามัญญัติวินัยเพื่อความสวยงามในการอยู่ด้วยกันการอยู่การอยู่ก า, ยการฉันนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ให้พระลูกหลานทั้งหลายช่วยๆกันรักษาวินยัยถ้ามีวินัยไปอยู่ในสถานที่ใดสวยงามทั้งนั้นนะพระลูกพระหลานทั้งหลายเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรวันนี้พูดเกี่ยวกับกฎระเบียบวินยัย ให้พาลูกพาหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมได้ฟัง